เหตุการ์ตึงเครียดค่อยคลี่คลายลงเมื่อผียอมสยบให้พระผีที่สิงอยู่ในร่างของนายยูซบประนมมือขณะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พระเจริญรับรู้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการ์ต่างนั่งนิ่งฟังอย่างใจจดใจจอ่อผมชื่อนายบุญช่วยบ้านอยู่บางประอินเคยบวชอยู่ห้าพันษาได้เวลาต่อมา ผมได้ลาสิกขาเพราะมีโรคประจำตัวคือโรคกระเพาะพอศึกแล้วผมก็ป่วยกระสากกระแสะมาตลอดกระทั่งวันหนึ่งผมก็ถูกผีแขกเข้าโยมรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผีแขกพระเจริญถามท่านเพิ่งสังเกตว่าร่างที่ผีสิงสถิตยอยู่นั้นผอมเหลืองดูน่าเวทนาตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับพระกุณเจ้า แต่พอผมกลายมาเป็นผีแล้วถึงได้รู้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อครับผมไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วพระคุณเจ้าไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดก็ได้แต่ผมขอร้องให้ช่วยผมด้วยผมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปอีกพูดแล้วก็ใช้มือทั้งสองปิดหน้าร้องไห้โฮโฮราวกับว่าขับแค้นใจอย่างเหลือเกิน คนฟังที่เป็นผู้หญิงพลอยน้ําตาไหลไปด้วยพระเจริญปล่อยให้เขาร้องไห้อยู่พักหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าโยมเล่าต่อไปเถอะมีอะไรที่อาตมาพอช่วยได้อาตมายินดีที่จะช่วยเหลือท่านช่วยผมได้แน่เว้นแต่จะไม่ช่วยพีตอบและยังไม่หยุดร้องไห้ถ้าหากไม่ผิดต่อสมณวิสัย รับรองว่าอาตมาช่วยแน่ขอให้หยุดร้องไห้และเล่าต่อไปผีหยุดร้องไห้เขาใช้ผ้าขม้าเช็ดน้ำตาสั่งน้ามูกฟูดหนึ่งและจึงเล่าต่อแขกที่อายุทยามันเอาผีมาเข้าผมมันต้องการให้ผมไปเป็นบริวารของมันไอคนนี้มันร้ายกาจมากมันเลี้ยงผีไว้มากมายเอาไว้ให้คนเช่า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 ถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบถือว่าต้องอาบัตทุนลัดใจแต่ถ้าภิกษุฉันเนื้อดิบเพราะถูกผีเข้าไม่ถือว่าเป็นอาบัตผีที่ชื่อบุญช่วยอธิบายให้พระฟังถูกต้องอย่างที่โยมว่ามาขนาดเป็นพระยังถูกผีเข้านับประสาอะไรกับเคารพจริงไม่โยมเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดขึ้น ทุกคนพากันตกใจรวมทั้งพระเจริญด้วยต่างหันไปมองที่มาของเสียงเด็กสาวผู้หนึ่งอายุราว 14-15 หนั่งหลับตาส่งเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดหญิงที่นั่งอยู่ข้างๆจับตัวหล่อนเขย่าแรงๆเป็นอะไรอีพุทธหรือว่ามึงถูกผีเข้าข้ากลัวข้ากลัวหล่อนละล่ำละลักมึงกลัวอะไรไหนลืมตามมาพูดกันหน่อยสิ หล่อนค่อยๆลืมตามองไปที่พระแล้วลุกพรวดพลาดเข้าไปหาหวังยึดเป็นที่พึ่งนายเที่ยวกับนายชาญรีบกันไว้เพราะกลัวหลวงพี่ศีลขาดหนูทำใจดีๆไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรหนูได้หรอกเดยกลัวผีข้าจะหลวงนะกลัวผีเข้าแบบบางซอบ บางหมายถึงพี่ถ้าเองกลัวผีเข้าก็ต้องตั้งสติให้ดีถ้าสติไม่ดีทำให้ผีเข้าเจ้าสิงได้รู้ไหมผีพูดกับเด็กสาวท่านช่วยอีพุษสาลูกสาวฉันด้วยเถอจา้าหญิงที่จับตัวหล่อนขยาวบอกพระเจริญผีในบุญช่วยเริ่มโมโหจึงตะวาดเอาว่าถ้ากลัวก็นั่งเฉยเฉยทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละ ขึ้นบูดมากกว่าจะเข่าทั้งสองคนเลยคราวนี้แม่กับลูกสาวร้องกรีดขึ้นพร้อมกันจนหลายคนต้องเอามือปิดหูเงียบผีตะโกนสุดเสียงสองแม่ลูกหน้าตาตื่นท่าทางตรนกถ้าไม่เงียบก่อนลงเรือนไปเสี ย, ย่าให้กูโมโหนะเขามองหน้าลูกสาวทีมองคนเป็นแม่ทีคนทั้งสองก้มหน้างุด ไม่ยอมสบตาด้วยและผีจึงพูดว่าพระคุณเจ้าผมจะบอกเคล็ดลับให้คนที่สติไม่ดีหรือที่เรียกกันว่าจิตอ่อนนั้นถูกผีเข้าเจ้าสิงได้ง่ายแม้แต่พระเองก็ยังถูกผีเข้าถ้าใครไม่ต้องการให้ผีเข้าก็ต้องมันเจริญสติคนสติดีผีมันไม่เข้าเจ้าก็ไม่สิงผมก็เพิ่งมารู้ตอนเป็นผีนี่แหละครับอุตสาบวมาตั้งห้าพรรษา ไม่เคยจะโรนสติเลยถึงต้องมามีเวรมีกรรมอย่างนี้พูดแล้วก็ร้องไห้อีกเมื่อกี้โยมพูดว่าแคกที่อายุทยาเลี้ยงผีไว้ให้คนเช่าอัตมายังไม่เข้าใจช่วยอธิบายหน่อยเถอะภิษุหนุ่มอยากรู้ถูกแล้วครับเพราะคุณเจ้ามันทำเป็นอาชีพเลยอย่างผมเนี่ยก็มีคนไปเช่ามาจากมัน ให้มาเข้านายยูซอบผมสิงร่างนี้มาสองปีแล้วใครมันเช่ามึงให้มาเข้าลูกโกนายยูซุบถามด้วยสิ่งเกลียวกราดเขาต้องทนทุกขทรมานมาสองปีเต็มนับแต่บุตรชายนับแต่บุตรชายถูกผีเข้าหมดค่ารักษาไปหลายร้อยช่างผีก็ยังไม่ออกชีวิตนี้เขาเหลือลูกอยู่คนเดียวรอฮานิงเมียรัก ก็มาตายจากไปได้ร่วมปีแล้วผีในบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่าพระคุณเจ้าต้องช่วยผมนะครับหากไม่ช่วยไอ้แขกเจ้าของผีมันเอาผมตายแน่เขา อ, อ้อนวอนเป็นผีกลัวตายด้วยหรือก็ตายไปแล้วจะกลัวอะไรอีกนายชานถามอย่างอดไม่ได้ผีหันมาตะอคอกใส่หน้าว่ามึงอย่าเสืกไม่ใช่เรื่องของมึง นายชาญถูกผีว่าก็โกรธจรึงตะคอกใส่บ้างว่าก็กูมากับลุงพี่ถ้ามึงพูดไม่ดีกับกูกูจะไม่ให้ลุงพี่กูช่วยมึงเขาคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าจริงดังคาดเพราะผีพูดเสียงอ่อนลงว่าถูกของเองข้ามันลืมตัวไปหน่อยอย่าถือโทษโกรธข้าเลยนะแล้วก็ช่วยอ่อนวอนลุงพี่ของเองให้ช่วยข้าด้วย จะให้ช่วยยังไงก็ว่ามาน้องชายในเที่ยวทำท่าคืองพระเจริญให้นึกหมันไส้จึงค้อนให้หนึ่งวงแทนที่จะพูดกับนายชาญผีในบุญช่วยกลับพูดกับพระเจริญว่าถ้าพระกุเจ้ารับปากว่าจะช่วยผมผมจึงจะยอมเปิดเผยความลับไม่เช่นนั้นไอ้แขกมันจะต้องลงโทษผมอย่างสาหัสกันเลยทีเดียวท่านรับปากนะครับว่าจะช่วยผม จะให้อัตมาช่วยอะไรละ่ะพระหนุ่มถามยังไม่กล้าตกปากรับคําช่วยให้ผมพ้นจากการเป็นถาดไอ้แคกคนนั้นให้ผมได้เป็นอิสระไม่ต้องมาสร้างกรรมก่ะเวงอีกแล้วผมจะบอกว่าทำอย่างไรรับรองว่าไม่ผิดต่อสมณวิสัยถ้าเช่นนั้นอัตมาก็ยินดีจะช่วย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 ที่เมตตาต่อผมคราวนี้ผมจะได้ไปพุดไปเกิดเสียทีเขาหันไปทางบิดานนายยูซุกแล้วพูดว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าใครมันไปเช่าขะมาเข้าลูกชายเองแทนคำตอบนายยูซุกพยักหน้าเขานั่งคอตกหมดอะไรตายยากแต่อยากรู้ะขะก็จะบอกนี่ไงล่ะไอคนที่มันไปเช่าขะมา นายูโซน้องชายเองนี่ไงเขาชี้หน้านายยูโซซึ่งนั่งติดกับพี่ชายนายยูซุปหันมาจ้องหน้าน้องชายนายยูโซลุกพรวดพลาดขึ้นเดินอ้าวๆลงเรือนไปเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดังๆว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงบังยูโซะจะทำกับหลานชายแท้ๆได้ชียวหรือผีนายบุญช่วยรีบต่อว่า ได้หรือไม่ได้มันก็ทำแล้วมันไปเช่าฆ่ามาเมื่อสองปีก่อนบังคับให้สิงอยู่ในร่างของไอซบจนกว่าจะตายนี่ถ้าฆ่าไม่ออกอีกสองเดือนไอซบตายแน่เพราะมันทั้งผอมทั้งเหลืองออกอย่างนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันแต่ค่าถูกบังคับไอยูซมันทาอย่างนั้นเพื่ออะไรนายยูซุบถามเขาไม่ค่อยจะแน่ใจนะ แต่ถ้าน้องชายไม่ได้ทาอย่างที่ถูกกล่าวหาเหตุใดจึงพลุนผลันลงเรือนไปเช่นนั้นมันอยากได้สมผัสเองนะสิเพราะเองได้มีรยรยเองก็เลยรวยกว่ามันมันอิจฉาแล้วนางรอหานิงเมียของเองก็ตายเพราะฝีมือของมันเจงเหรอนายยูซุปถามรบกรามแน่นจนเห็นเป็นสันนูนที่หนอกแก้มเองจาได้ไหม วันที่นางรอฮานิงจะตายมันเดินไปที่บ้านอายยูโซเองเรียกมันก็ไม่สนใจนายยูซุปนึกลําดับเหตุการณ์วันนั้นนางรอฮานิงมีอาการกระสับกระส่ายจนผิดสังเกตพูดแต่ว่าอยากไปกินซุปสมองวัวที่บ้านนายยูโซเขาบอกว่าถ้าอยากก็ไปซื้อมาทํากินเองหลนก็พร่ำแต่ว่าจะไปกินที่บ้านนายยูโซ ในที่สุดก็ลงเรือนไปเขาจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังหล่อนหายไปพักใหญ่ๆก็กลับมาในตาเหมอลอยเหมือนคนละเมอและหล่อนก็เข้านอนนอนตั้งแต่เที่ยงวันถึงหกโมงเย็นก็ยังไม่ตื่นพอเขาเข้าไปปลุกก็พบว่าหล่อนตัวแข็งและไม่หายใจแล้วคิดมาถึงตอนนี้นายยูซุปสุดจะกลั้นความโศกไว้ได้เขาใช้มือทั้งสองปิดหน้า ร้องห้อยังไม่อายใครๆรอหาหนิงเองต้องอาตายเพราะขาแท้ๆไอ้ยุซ้ไอน้องอรยศเสียแรงกูเกื้อกูลอุดหนุนมึงมาไม่นึกเลยว่าจะเนรคุณมาฆ่าลูกขาเมียที่กูรักดังดวงใจบุรุษวัยห้าสิบพร่ำรำพันมันคิดว่าถ้าเมียเองกับลูกเองตายสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของมัน มันฆ่าลูกเองสำเร็จต่อไปมันก็จะฆ่าเองแบบเดียวกับฆ่านังรอหาหนิงคือเอาผีมาเข้าแล้วให้นึกอยากกินซุปสมองวัวที่บ้านของมันมันจะฆ่าเองอย่างเลือดเย็นที่สุดผีในบุญช่วยบอกแผนการชั่วร้ายของนายยูซุปไอ้น้องอั ป, ปรีขออันเลาะจงลงโทษมันเขาสาปแช่งน้องชายโอ้อัเลาะโปรดช่วยลูกชายฆาด้วย เองคงไม่อยากให้ลูกเองตายตามเมียไปอีกคนใช่ไหมเองต้องทําตามข้อเสนอของข้าผีในบุญช่วยพูดกับบิดาในยูซุปเองจะให้ข้าทําอะไรข้าทําได้ทั้งนั้นขอแต่ให้ไว้ชีวิตลูกชายข้าด้วยข้ายอมเองทุกอย่างจะเสียเงินเสียทองเท่าไรข้าก็ไม่ว่าหมอผีเกรงจะเสียรายได้เพราะนายยูซุปว่าจ้างมาถึง200ตํารึง จึงทิ้งพูดซะก่อนว่าเอ็งอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเชื่อข้าดีกว่าเดี๋ยวข้าจะปราบมันเองเลยถูกผีตวาดเอาว่าไอ้หมอขี้งกมึงไม่มีปัญญาปราบกูได้หรอกเพราะมึงไม่มีคาถาเมตตาต้องยังพระคุณเจ้ากูถึงจะยอมสยบขืนมึงพูดมากกูจะเล่นงานมึงหมอผีได้ฟังให้รู้สึกครั่นครามคืนพูดมากกว่านี้ ก็รังแต่จะเสียหน้าหนักขึ้นซูนิ่งเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปขอเรียนคาถาจากพระรูปนี้รอให้ท่านหายโกรธเสก่อนท่านคงจะโกรธที่เขาไปกล่าวหาว่าท่านเป็นเจ้าของผีเองจะให้ขาทำอะไรว่ามาเลยนายยูซุปบอกกับผีเขาคิดว่าหากจะต้องเสียเงินเสียทองอีกร้อยช่างพันช่างก็จะยอมทั้งนั้น ก่อนที่จะบอกผีในบุญช่วยพูดกับพระเจริญว่าพระคุณเจ้าช่วยเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับว่าทนายยูซุปมันไม่ทําตามข้อเสนอของผมลูกชายของมันจะต้องตายเพราะผมไม่อาจพ้นจากมนต์ดำของไอแ้แคค่นั่นได้ตกลงอาตมาจะเป็นพยานให้โยมต้องมีสัจจะนะท่านกําชับนายยูซุปครับท่าน ผมรับรองว่าจะไม่บิดเพริวถึงจะให้ผมตายแทนลูกผมก็อยอมบิดานายยูซบรับคำแข็งขันถ้าเช่นนั้นก็ฟังให้ดีวิธีเดียวที่เอ็งจะช่วยลูกชายได้คือต้องให้ไอ้ซพมันบวชหนึ่งพันษาบวชแล้วก็ต้องเจริญสติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่มานั่งกินนอนกินให้เปลืองข้าสุกชาวบ้านเหมือนไอ้พวกชาวพุทธมันทากันรวมทั้งข้าด้วย ผีในบุญช่วยชี้แจงชัดเจนนายยูซุปรีบขัดขึ้นว่าข้าให้มันบวชไม่ได้หรอกมันเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับข้าจะบวชได้ยังไงเป็นตายข้าก็ไม่ยอมให้มันบวชเพราะขัดต่อองค์การของอเลา่ไม่บวชลูกมึงตายผีตะคอกใส่ในายยูซุปนเชี่ยวแอบนึกในใจว่าถ้าบุญช่วยมันเป็นผีขี้โมโหดูมันโกรธง่ายเสียจริงเชียว ท่านช่วยพูดกับผีให้ผมหน่อยเถอะมันบังคับในสิ่งที่ผมทำไม่ได้นายยูซุปขอร้องให้พระเจริญช่วยพระจึงพูดกับผีว่าโยมผ่อนผันให้เขาหน่อยไม่ได้วหรือมันผิดต่อหลักศาสนาของเขาคนอิสลามเขาเคร่งศาสนามากนะไม่ละล้วมละแหละเหมือนพวกชาวพุทธหรอกผีในบุญช่วยตอบว่า ไม่ได้หรอกครับพระคุณเจา้าการบวชเป็นวิธีเดียวที่จะเอาชนะมนต์ดำของไอเคกนั่นได้เพราะมันเป็นเจ้ากรรมในเวรของผมและของไอซบถ้าไอซบบวชขอให้เจริญสติแผ่เมตตาให้มันผมก็จะพ้นจากอำนาจของมันและไอซบก็จะปลอดภัยกวานายเองว่าตายแทนลูกก็ยอมไงละ่ะผีหันไปถามนายยูซุกข้าตายแทนลูกได้ เอ็งค่าค่าให้ตายหรือมาเข่าค่าก็ได้แต่อย่าให้ฆ่าละเมิดองค์การของอันเลาะเลยนายยูซุพูดจาน่าสงสารข้อนั้นข้าเข้าใจล่ะแต่ข้าก็ไม่ได้ให้ลูกเอ็งมาเป็นพุทธเพียงแต่ให้บวชแทนข่าเพราะข้าเป็นผีปวดไม่ได้ออกพรรษาแล้วลูกเอ็งก็จะกลับเป็นมุสลิมตามเดิมอันเลาะท่านคงไม่ว่าหรอกผีในบุญช่วยชี้แจง เขาอยากจะพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานี้นายยูซุปคิดไม่ตกได้แต่นั่งกัดฟันกรอดกรอดเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดให้กำลังใจว่ายอมเขาเถอะบางซุปแค่พรรษาเดียวเท่านั้นเสียงผู้ชายแทรกขึ้นว่าอย่ายอมเราเป็นมุสลิมจะบวชได้ยังไงไม่ยอมลูกมึงตายผียืนยันเงื่อนไขเดิมผู้คนที่มึงดูอยู่ วิภากวิจารณ์กันเสียงอึงคนหนึงบางต้องการให้ทําตามที่ผีบอกแต่พวกที่เคร่งศาสนาก็ยืนยันว่าทําไม่ได้นายยูซุปแสนจะอึดอัดขัดข้องนึกคิดอะไรไม่ออกพระเจริญรู้สึกสงสารบิดาของนายยูซุปหากก็ไม่อาจช่วยอะไรได้ในเมื่อเป็นความต้องการของผีว่ายังไงถ้ามึงไม่ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ กูก็จะไปแล้วต้องไปาราย ง, งานตัวกับไอ้แขกเจ้าของผีอ ย, อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งนายยูซุปละล่าละลักเขาทนเห็นสภาพลูกชายในสภาพนี้ไม่ได้เมื่อวิญญาณนบุญช่วยออกจากร่างของลูกชายนายยูซุพจะนอนระทศระทวยเหมือนคนเจ็บหนักข้าปลาไม่ยอมกินพร่ำเพ้อตลอดเวลาว่าปะช่วยข้าด้วย มันทรมานข้าเหลือเกินมันทารุณข้าเหลือเกินเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันขอให้ข้าถามลูกดูก่อนเอ็งให้เขาพูดกับข้าสักหน่อยได้ไหมก็ได้ก็ให้เวลาส0สนาทีแล้ววิญญาณของนายบุญช่วยก็ออกจากร่างนายยูซบ ร, ร่างที่นั่งอยู่หงายผึ่งไปนอนกับพื้นพวกลูกจ้างช่วยกันหายาดม ไปจอดที่จมูกเจ้านายเหมือนที่เคยทําทุกครั้งประมาณ20สิบนาทีนายยูซุปก็ลืมตานายยูซุปเข้ามาใกล้ลูกชายแล้วถามยูซุปเองเป็นยังไงบ้างปะสงสารเองเหลือเกินทรมานมากครับปะทํอยังไงคาดจะพ้นไปจากสภาพนี้มันทารุณค่ะเหลือเกิน ให้กาดตายไปซะยังจะดีกว่าข้าจะได้ไปอยู่กับมะลูกชายพูดเสียงเบาพอได้ยินกันสองคนไอ้ผีที่มาเข้าเองมันจะให้เองบวชหนึ่งพันษาแล้วมันสัญญาว่าจะออกจากรังเองตลอดไปเองจะว่ายังไงป้าให้ผมบวชเถอะผมไม่อยากตายอย่างทรมาน บวชใช้เวรใช้กรรมให้มันไปเสียแต่อย่าลืมว่าเราเป็นมุสลิมนะลูกจะบวชได้ยังไงช่างมันเธอป้าแค่สามเดือนเองอัลลอทันคงไม่ว่าซึกออกมาแล้วข้าจะทดแทนด้วยการบริจาคสากาดพันดำลึงหรือศีนอดอีกสามเดือนชดเชยกับที่ไปบวชข้าว่า อโลทันคงพอประทายคำพูดของลูกชายทำให้นายยูซุปค่อยกลายทุกข์เขาพูดกับพระเจริญว่าท่านบอกไอ้ผีมันด้วยว่าผมกับลูกยอมทําตามขอเสนอของมันจะให้ลูกบวชในพรรษานี้ดีแล้วโยมอาตมาขออนุโมทนาจะได้หมดทุกหมดโศกันเสียที ร่างที่นอนสมเหมือนคนไข้หนักลุกนั่งอย่างกระฉับกระเฉงซึ่งทุกคนรู้ว่าผีเข้าในยูซุอีกครั้งขอพระคุณพระคุณเจ้ากรับที่ช่วยเจรจาได้สำเร็จคราวนี้ผมก็จะได้พ้นเวรพ้นกรรมเสด็จพูดพร้อมกับก้มลงกราบสามครั้งแล้วหันไปบอกนายยูซุปว่าเงินาาการจ้างที่จะให้หมอผี สองร้อยตำลึงนั้นขอให้เอามาให้พระคุณเจ้าแทนเพราะท่านไล่ผีได้สำเร็จท่านจะนำไปสร้างโบสถ์วัดพรมบุรีนายเชี่ยวแอบชมในใจว่าเออไอผีตัวนี้มันช่างรู้ใจหลวงพี่ไอ้ผีแสนรู้แต่ข้าเป็นมุสลิมทำอย่างนั้นไม่ได้ศาสนาอิสลามก็ห้ามทําบุญกับศาสนาอื่น นายยูซุ ป, ปฏิเธขราก็ไม่ได้บอกให้เองทำบุญแต่เงินจํานวนนี้เองต้องจ่ายให้หมอผีเป็นค่าจ้างอยู่แล้วทีนี้หมอผีมันทำงานไม่สำเร็จพระกุญเจ้าท่านทำงานนี้ได้เองก็ต้องจ่ายให้พระกุณเจ้าจริงไหมเสียงผู้คนที่มุงดูพากันพูดว่าจริงจริงนายยูซุปจึงว่าตกลง ข่าจัดจายเป็นข่าไลาย่ยพีแต่ข้าไม่ได้ทําบุญนะปิดานายยูซบย้ำด้วยเกรงจระละเมิดต่อคําสอนในศาสนาของตนถึงเองไม่ได้ทําบุญแต่เองก็จะได้บุญเพราะศาสนาพุทธสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วดีชั่วใครที่ทําดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ต้องได้ดี การทำบุญเป็นความดีเมื่อเองทำเองจึงได้บุญไม่ว่าเองจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ตามผีอธิบายให้คนฟังครั้นเห็นหมอผีนั่งน่าจอยเพราะเสื่อมลาบจึงถือโอกาสอบรมสั่งสอนว่าวิธีปราบผีที่เมึงใช้อยู่หนะักไม่ได้ผลหรอกไม่ว่าผียุรึคน์เขาก็ชอบพูดดีๆทั้งนั้นไม่มีใครชอบพูดร้ายๆการพูดดีต้องพูดโดยเมตตา ถ้ามึงมีเมตตารับรองว่าผีก็รักคนก็รักแถมหมาก็ยังรักอีกด้วยไม่เชื่อมึงลองดูก็ได้เวลาเจอหมาถ้ามึงไปไล่มันรุอตีมันรับรองมันอาขาดมึงไปจนตายแต่ถ้ามึงแผ่เมตตาให้มันมันก็รักมึงไปจนตายเหมือนกันคนที่มีเมตตานั้นผีก็รักหมาก็รักทำเอาไว้ถ้อยคาของผี ทำให้พระเจริญนึกไปถึงเจ้าโทนตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังไม่ยอมญาติดีกับท่านแม้จะแก่หูตาฝ้าฟางก็ยังอุตส่าห์เห่าท่านทุกครั้งที่พบกันขณะเดียวกันท่านก็นึกถึงอนิสงค์ของคถากรรณียะเมตสูตรของพระพุทธเจ้าที่ยมยายสอนนักสอนหนาว่าเป็นคถากันผีได้ทาให้ผีรัก หมาก็รักผีในบุญช่วยยอมสยบให้ท่านเพราะคาถาบทนี้โยมใายช่างฉลาดหลักแหลมและลึกซึง้งอย่างที่ท่านเองก็คาดไม่ถึง